เสขิยวัตรละสิกขาบทที่15 472ถามทุกกฏของภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อทายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ําลายลงในน้ําเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบทุกกฏของภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อทายอุจาระ